การเจริญสมถะและวิปัสสนาอย่างง่ายๆประจำวันต่อไปนี้เป็นการจเจริญสมถะและวิปัสสนาอย่างง่ายๆประจำวันซึ่งควรจะได้ทำให้บ่อยๆทําเนืองๆทาให้มากๆทําจนจิตเป็นอารมณ์แนบแน่นไม่ว่าจะอยู่ในอุรยาบทใดคือไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือนอน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 รีบพากเพียรชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่ความตายจะมาถึงพระพุทธองค์ตรัสสรรเสริญมรณสติว่ามารณสติในวงเล็บการระลึกถึงความตายอันบุคคลทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อย่างลงสู่พระนิพพานเป็นที่สุด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 ก็าสามารถที่จะถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้และในวันมหาปรินิพานพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสปัดฉิมโอวาทที่เรียกกันว่า อปมาทธรรมสั่งสอนพระสาวกเป็นครั้งสุดท้ายจนดูเหมือนว่าพระธรรม 84% 0หมพันพระธรรมขันที่ทรงสั่งสอนมานานถึง 45, 000, สี0สิ้าพรรษาได้มาประมวลประชุมรวมกันในปัจฉิมโอวาสนี้ว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้ตถาคตขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังประโยชน์ตน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 Thank mm -hmm. you.